ถ้าเรามาสร้างความรู้สึกบ่อยๆเราก็จะเข้าใจในเรื่องการเกิดการดับของจิตเข้าใจในเรื่องการเกิดการดับของความคิดที่ผุดขึ้นมาปรงแต่งจิตทุกคนก็มีใจที่ปักไวในบนุญในกุศลอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกคนทุกคนก็มีจิตที่โน้มเข้ามา <yelled. S 1> เพื่อที่จะสร้างอานิสงส์สร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้นพวกเราได้สร้างบุญตลอดเวลาได้ทําบุญอยู่ตลอดเวลา โอกาสก็เปิดให้ทางด้านสมมุติก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ก็มีโอกาสเชื่อมั่นในพระรันาตนตยเชื่อมันนม่นในบุญในปะในความตัตจรูญปุถิดจาผ่านการผ่านเวลาผ่านทุกผ่านสุขมามากต่อมากทีนี้เราก็พยายามมาเจริญสติเขาไปทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เราไม่ได้ทาด้วยอารมณ์ทาด้วยอานาจของกิเลย ให้ทำโดยสติทำโดยปัญญาหาเหตุหาผลรู้เหตุรู้ผลสักวันหนึ่งเราก็จะมองเห็นทางทะลุปุบลงา ก, การควบคุมจิตเราควบคุมได้ระดับไหนปะระดับภายในทั้งเรยังไม่เกิดหรือระดับก่อตัวแล้วเกิดแล้วควบคุมไม่แสดงออกทางกายหรือว่าจะแสดงออกทางวาจาเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมเป็นชั้นๆ ลึกลงไปก็ควบคุมตังแต่ความคิดควบคุมอารมณ์ที่ก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเองทำํำบ่อยควบคุ ม, มบ่อยๆแล้วก็หัดสังเกตหัดวิเคราะห์รู้เห็นตามความเป็นจริงจิต ก, ก็จะปล่อยก็จะวางได้เร็วเร็วไวขึ้นยังแค่พวกเราทําไม่ค่อยจะต่อเนื่องกันเท่านั้นเองบางคนบางท่านจิตก็สงบดีแต่ขาดสติเข้าไปวิเคราะห์ก็เปรียบเสมือนกับเรือที่ไม่มีคนขับ ก็ลอยเพียงคว้างลอยไปที่น้นบ้างที่นี่บ้างลอยไปชนอันนั้นบ้างชนอันนี้บ้างอยากได้สิ่งนั้นบ้างอยากได้สิ่งนี้บ้างแต่จิตไม่ยึดก็มีเขาไปด้วยความแตะเยอดอยันยาแต่ความยึดมั่นถือมั่นไม่มีก็มีนี่แหละถ้าเรารู้จักวิเคราะห์จะเอาจะมีจะเป็นก็เอามาด้วยสติเอามาด้วยปัญญาทำด้วยสติทำด้วยปัญญาจิตนี้ก็แปลก ถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเขาก็จะส่งออกไปภายนอกอยู่อย่างนั้นทั้งส่งออกไปภายนอกทั้งหลงด้วยทั้งยึดด้วยถ้าเรามาจเจริญสติเพียงแค่คําว่าความระลึกรู้ตัวเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาเสียก่อนสร้างขึ้นมาบ่อยๆพลังเพย์ก็สร้างขึ้นมาบ่อยๆยิ่งทำความเข้าใจกันนิวรณ์ธรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องกลางกัน้นจิตของเรามาให้รับความสางบ จิตของเรามีความกำหนัดเรื่องราคะรูปรสจินเสียงเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมเสยรู้จักละเสียจิตของเรามีความอาฆาตพยายามบัตรให้ใครเราก็พยายามอาโหสิกรรมให้อภัยทานมองโลกในทางดีๆคิดดีความรลอะลึกรู้สึกตัวของเราพังเผลย์เราก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาบ่อย จิตของเรามีความพุ่งสร้างไม่ว่าเรื่องไหนก็ชักเราก็พยายามดับพยายามละจิตของเรามีความลังเลสงสัยในสิ่งต่า ง, างๆเราก็พยายามดับทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ทางสมมุติให้ดีด้วยนสมมุติความเป็นอยู่ภายนอกเราก็ต้องพยายามทําให้ดีถ้าปากท้องของเรายังมีความหิวโหยอยู่มันก็ยากที่จะเข้าไปประพฤติปฏิบัติจิตได้ถ้าอันนน้นก็ยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเราต้องพยายามทําให้เรียบร้อยเสีย มีความพอใจยินดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มั่นสนใจแก้ไขอยู่ปัจจุบันให้ดีส่วนภายในซึ่งเป็นปายนามธรรมาเรารู้ไม่ทันเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมแก้ไขได้ทั้งภายนอกทั้งภายในวิมุตตกับสมมุติเขาก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละไม่ได้หนีไปไหนโลกทมกับโลกก็อยู่ด้วยกันเพียงแค่เราทาความเข้าใจให้ถูกต้องเสีย เราก็จะอยู่ดีมีความสุขได้บ้างไม่ได้บ้างขอพยายามปะกันทําอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งทุกเรื่องเรื่องเดตื่นขึ้นมายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราต้องหมั่นวิเคราะห์ดูตัวเราแต่ละวันแต่ละวันใ้จิตมันเกิดอยู่ตลอดนั่นหลยความคิดก็มาปรุงแต่งจิตอยู่นั่นแหละเราพยายามสร้างตัวรู้ตัวใหม่เข้าไปสังเกตดูรู้ไม่ทันเราก็พยายามดับเขาไม่เกิดก็รู้ความปกติเอาไว้ถ้ากําลังสติของเรามีมาก สักวันหนึ่งเราก็จะสังเกตเห็นตั้งแต่เขาอาการเขาเริ่มเกิดเขาเริ่มก่ะตัวทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรมที่ท่านเรียกว่าสักแต่ว่าดูสักดว่ารู้สักแต่ว่าฟังตาก็ทําหน้าที่ดูเราก็ห้ามตาไม่ได้หูทําหน้าที่ฟังเราก็ห้ามหูไม่ได้เราก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาเสียเวลาตากระทบรูปนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมผัสเรียกว่าสักแต่วาดู เราก็พยายามรู้จิตของเราเวลาตากระทบรูปจิตของเราเกิดกิเลสไหมเกิดความโลภไหมเกิดความยินดีไหมยินร้ายไหมผักใส่ไหมดึงเข้ามาไหมเราพยายามมันตรวจสอบตัวเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็ตรวจสอบเราแก้ไขเราเหตุการณ์จากข้างนอกมาทําให้จิตของเราเกิดหรือ ว, ว่าเกิดขึ้นจากภายในโดยตรงเราก็รู้จักหาเหตุหาผลแก้ไขตัวเราเองตลอดเวลา บุคคลเช่นนี้แหละจะเป็นบุคคลที่ได้เข้าวัดเป็นบุคคลที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์ตลอดเวลารูปรสกินเสียงก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราสติก็จะคอยตรวจสอบจิตเราตลอดเวลาไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนเลยสแสวงหาอยู่ในกายของเรานี่แหละหาความเป็นกลางหาความว่างนั่นแหละคือความถูกต้องความว่างนั้นแหละคือเครื่องอยู่ของจิตเวลาจิตไม่มีความโลภความโกรธจิตไม่มีความทะเยอทะยานอยากเขากนิ่ง เขาก็โลง่งเขาก็โปร่งเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของอารมณ์แต่เราขาดสติเข้าไปวิเคราะห์ดูทนนั้นเองพยายามมันสร้างอานิสงส์สร้างบา ร, รมีให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราตลอดเวลาศรัทธาของเราตั้งมั่นหรือไม่ต้องศรัทธาด้วยแล้วก็สติปัญญาต้องรู้แจ้งเห็นจริงด้วยไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบไม่รู้ความหมายศรัทธาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง พระพุทธองค hey ์ท่านสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาคำว่าอัตตาอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาสอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องดับทุกข์อะไรคือทุกข์อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ทุกข์อยู่ในระดับไหนระดับของสมมุติระดับของวิ ม, มุติทุกข์ภายนอกทุกข์ภายในอะไรคือรูปธรรมอะไรคือนามธรรมาเราต้องพยายามมันวิเคราะห์มันค้นคว้าถ้าเราไม่วิเคราะห์ตัวเราก็ไม่มีใครที่จะวิเคราะห์ให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราเอง เวลาทุกลมหายใจมีค่ามีประโยชน์อย่าปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดาเวลาเราเกิดมาเราก็หายใจอยู่แล้วตั้งแต่เกิดนั่นแหละเกิดจากท้องแม่มาก็หายใจแล้วมันก็มีการหายใจมาตลอดจนกระทั่งทุกทุกวันนี้หยุดไม่ได้หยุดก็ตายลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายก็เป็นธรรมชาติเป็นแค่เรามาสร้างความรู้ตัวกับธรรมชาติตรงนี้ร่ากายของเราก็ออกเปลี่ยนสภาพ่างเด็ก โต <eld> ขึ้นมาได้เรื่อยจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆผ่านทุกข์ผ่านตรุษมามากตรมากมีความรับผิด ช, ชอบอะไรผิดตกชลวดีกรชช็รู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่อันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่ในระดับหนึ่งอย่าว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทุกคนปฏิบัติถึงไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติอยู่ในตัวรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิด ช, ชอบมีความใฉลิมฉลอมีความอดทน ผ่านการผ่านเวลาแต่การเจริญสติเข้าไปดูแลจิตควบคุมจิตแยกรูปแยกนามตรงนี้เองที่ยังไม่ค่อยจะได้ศึกษากันถึงศึกษาก็ศึกษากันไม่ได้ตลอดก็ต้องพยายามถ้าอยากจะให้ได้ตลอดก็ต้องพยายามสร้างความรู้รู้ตัวรู้วยเจริญสติให้มากๆให้ได้ทุกขริยาบทการเจริญสติเข้าไปควบคุมจิตทําความเข้าใจกับจิตแล้วก็ รู้จักสั่งบารมีจิตของเรามีความตันหนีเนียวแน่นเราก็พยายามละความตันหนีเนียวแน่นโดยการบริจาคโดยการให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่โกหกตัวเองแก้ไขตัวเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีสัจจะกับตัว เ, เองมีพรมมีหารมีความเมตตามีความกตัญญูกตวเวทีรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ของพี่ของน้อง ให้อภัยทานอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางกันไปอยามกันนะอย่าป่ากันปล่อยโอกาสทิ้งอย่าปล่อยเวลาทิ้งแม้แต่เรื่องกของขอ ง, ของการหายใจเข้าออกเราก็พยายามศึกษาให้เป็นธรรมชาติให้ต่อเนื่องเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรามองข้ามเรื่องอยู่เรื่องกินก็เหมือนกันก่อนที่จะกินก่อนที่จะรับประทานอาหารเราก็ต้องดูเสียก่อนว่ากายของเราหิวหรือไม่ จิตของเราเกิดความอยากไหมถ้าเกิดความอยากเราก็ควบคุมความอยากให้หายอยากให้ก่อนเราค่อยทานแลกวความเป็นระเบียบภายนอกด้วยเราก็ต้องหัดพยายามสร้างความเป็นระเบียบให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจในชีวิตของเรา